จริงๆแล้วจิตชนิดไหนที่ควรแก่การเจริญปัญญาจิตชนิดไหนที่ใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนไม่ควรแก่สมถะและวิปัสนาเนี่เราต้องเรียนจนเราแจม่มแจ้งตรงนี้หลวงพ่อก่อนที่จะมาเจริญวิปัสนาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อหลีวัตโศการามพ่อพาไปนะโยมพ่อพาไปไปเรียนท่านสอนให้หายใจสอนา น, านาปานสติ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 ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันเห็นจิตเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงทํางานไปแล้วมันก็รู้กายด้วยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นจิตเคลื่อนไหวเ ป, เปลี่ยนแปลงใจมันเป็นคนดูใจมันตั้งมัน่นเะนี่ยภาวนาอย่างนี้ก็เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่เดือนเข้าใจแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเข้าใจรวดเร็วเพราะใจเราตั้งมัน่นไปดูในพระใจปิฎกท่านก็พูดถึงสัมาสมาธิในแง่ความตั้งมั่นของจิต แต่เราเที่ยวไปดูตามสำนักปฏิบัติทั้งหลายนะครูบาอาจารย์บางสำนักท่านก็ดีนะท่านทำของท่านได้แต่พวกลูกศิษย์บางทีเข้าไม่ถึงสิ่งที่อาจารย์สอนหรอกลูกศิษย์ไปทํามิจฉาสมาธิกันจิต ท, ที่ลงไปตั้งแช่อยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิต ท, ที่ตั้งมั่นจิต ท, ที่ตั้งมั่นกับติจิต ท, ที่ตั้งแช่เนี่ยไม่เหมือนกันจิต ท, ที่ลงไปแช่อ ย, อยู่ในตัวอารมณ์นั่นเป็นการเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอารามณูพนิชฌานนั่นเอง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 เนี่ยถ้าใจเราเข้าไปถึงฌานที่สองทุติยฌา น, เ, นเราจะได้เอโกโอที่ภาวะขึ้นมาแล้วถ้าสามสี่ห้าหเจดอะไรถึงฌานที่8ดอะไรเอโกโที่ภาวะก็ยังอยู่ใจจะตั้งมั่นเด่นอยู่อย่างนั้นพอออกจากฌานแล้วเนี่ยเอโกโที่ภาวะนี่ยังทรงตัวอยู่อีกช่วงหนึ่งอีกหลายชั่วโมงหรืออีกเป็นวันวันได้ทรงตัวถ้าฌานนั้นเกิดจากการเดินจงกรม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 ถ้าสติะระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นจะรู้ทันทีเลยกุศลแลรกกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะเหลืออันเดียวคือจิตยึงเป็นเราอยู่ต้องดูกันไปนานๆนะเห็นจิตนะั้นเกินดับไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะละความเห็นผิดว่าทั้งกายทั้งใจเป็นเราเป็นพระโสดาบันไดเพรนพวกเราอย่าเอาแต่ตั้งแช่นะตั้งแช่นะตั้งกันมานานบางคนตั้งหลายปี10ปีย0่สิบ ป, บปนะีมีคุณป้าคนหนึ่งนะมาหาหลวงพ่อ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 ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าผิดไหมไม่ผิดแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวที่กําลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะรู้สึกทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็จะรู้สึกเลยตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกจะเห็นทันทีถ้าใจมันแยกตาหากนะใจมันเป็นแค่คนดูคนรู้สึกรู้ลมหายใจอยู่ก็เห็นตัวที่หายใจไม่ใช่เราอะไรอะไรก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรา ก, กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนๆกันนะถ้าหลัก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 จอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะแล้วก็โน้มน้อมใจชนิดนี้นะไปเพื่อเกิดญาณทัศนะเฉะนั้นต้องใจที่มีตั้งมั่นมีคุณสมบัตินะใจจะเบาๆใจจะนุ่มนวลใจจะอ่อนโยนใจจะคล่องแคล่วว่องไวถ้าหากพวกเราฝึกภาวนาแล้วจิตของเราหนักหนั ก, นกแน่นๆ่นแข็งแข็ ง, ขงซึมๆทื่อๆนะชี้ขาดได้เลยว่าทำผิดแน่นอน จิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนานะมีความเบามีความอ่อนมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆนะรู้แล้วไม่แทรกแสงจิตชนิดนี้ต่างหากแล้วเอาไว้ทํำวิปัสสนารู้กายรู้ใจแล้วเห็นความจริงเห็นไตรลักษณ์ไดนะ้ถ้าจิตแข็งแข็งกระด้างนะยิ่งฝึกแล้วก็ยิ่งเครียดหลวพ่อทําหน้าให้ดูนะเนี่ยฝึกไปแล้วก็เหมือนผีดิบซอมบี้ เยอะนะคนฝึก อ, อย่างนี้นะลองไปดูที่สีธัญญาสิเยอะมากเลยนะไม่ <c oughs> ใช่หลวงพ่อแกล้งว่านะไม่ไปฝึกให้จิตกระด้างอย่างนั้นจิตแข็งแข็งจิตซึมซึมใช้ไม่ได้จิตที่เป็นมหากรุสุจิตมีความเบาเรียกว่าราหุตาจิตที่เป็นมหากรุสุรจิตมีมุตุตาคือนุ่มนวลจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีกรรมัญญตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเลสครับงํา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 นะอย่าทานข้าวด้วยความมาเร็ดอร่อยกําลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนโมโหนะเห็นอุ้ยมีลูกชิ้นจะกินแล้วมันตักไปละแค้นให้รู้ทันใจตัวเองนะจะเข้าส่วมจะทําอะไรนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆฝึกรู้สึกไปนะแล้วมรรคผลนิพพานจะอยู่ใกล้ๆไม่ไกลหรอกรู้สึกตัวไว้ตราบใดที่รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆนะมีผู้ปฏิบัติแบบนี้โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์จำไว้นะเชิญไปทานข้าว นิมนต์ครับ